ได้บรรลุพระอหรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบนับแต่เกิดคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกจะพึงบรรลุท่านก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดอนหนึ่งท่านไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทํายิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทําเสร็จแล้วซึ่งจะทําเพิ่มเติ ม, ตมอีกก็ไม่มีต่อมาท่านพระทัพพระมลบุตรลีกรเณร์อยู่ในที่สงัด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 ซึ่งจะทําเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรสงได้บ้างพระพุทธเจ้าข่าถ้าะไรข้าพระพุทธเจ้าพึงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัตตาหารแก่สงข้าพระพุทธเจ้าปราถนาจะจัดแจงเสนาสนะและแจกพัตตาหารแก่สงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วดีแล้วทัพพระถ้าอย่างนั้น เธอจงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัตตาหารแก่สงพระทัพพระมลรุตรทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว